สอนให้ภาวนาวเรื่องพุทธคุณแต่ท่านจุนลลปันธกะปฏิบัติไม่ได้เลยตลอดเวลาสามเดือนจนท่านรู้สึกเบื่อหน่ายคิดจะสึกแต่ได้มีพระอีกรูปหนึ่งพาเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ทรงทราบความเป็นไปทั้งหมดแล้วก็ทรงให้กรรมฐานใหม่กล่าวคือทรงให้พระช น, นาขาวพื้นหนึ่งแล้วรับสั่งให้ภาวนาว่าระโชหระนัง ซึ่งแปลว่าให้นําเอาทุลีออกท่านจุนลปันธกะได้นั่งภาวนาอยู่หน้ากุฏิของพระพุทธเจ้าซึ่งในขณะนั้นพระองค์ไม่อยู่พราะหมอชีวกโกมารพัฒนิมนทรพระองค์ไปสวยอาหารที่บ้านพร้อมทั้งพระในวัดนั้นทั้งหมดเหลือแต่ท่านจุนลปันทกะองค์เดียวอยู่เฝ้าวัดเมื่อท่านจุนลปันธกะภาวน า, พ ร, วนาพร้อมกับเอามือถูผ้าไปมา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 ตัวอย่างนี้คำภีก็มีเช่นในเรื่องสุธโสมชาดกเมื่อพระเจ้าสุธโสมจะสอนพระเจ้าปริษาสซึ่งเป็นมนุษย์ที่กินคนให้เลิกจากการฆ่าสัตว์ครั้งแรกพระองค์ไม่ตรัสถึงเรื่องนี้โดยตรงแต่พระองค์ตรัสถึงเรื่องความกระตัญอูและความซื่อสัตย์ซึ่งพระเจ้าปริศาทมีอยู่อย่างมากมายเมื่อพระองค์พูดถึงสิ่งเหล่านี้พระเจ้าปริษาสตร